ส, สำหรับในวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเรามีพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เรามาถึงช่วงของจวนจากปรินิพานซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสว่าพระพุทธองค์เนี่ยเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์พอดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะหิ่งห้อยก็อับแสงหรือตรัสแก่พระนนท์ที่เชตวันค่าว่าเป็นอย่างนั้นอนน์เป็นอย่างนั้นอนน์ตลอดเวลาที่ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัส ร, รู้ชอบเอง ยังไม่เกิดขึ้นในโลกอยู่เพียงใดเหล่าปริพาชคผู้เป็นเดรัจฉีอื่นก็ยังเป็นที่เคารพสักการะนับถือบูชานอบน้อมและยังมีลาบด้วยจีวรบินทบาทเจนาสนะและคิลานาเพษัตอยู่ตลอดเวลาเพียงนั้นอานน์ในการใดตถาคตผู้เป็นอรหันตรัส ร, รู้ชอบเองเกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นเหล่าปริพาชคผู้เป็นเดรัจฉีอื่น ก็หมดความเป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมไม่มีลาบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสะนะและคิลานาเพสัตวและในบัดนี้ตถาคตเป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมและมีลาบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสะนะขิลานาเพสัตว์รวมทั้งภิกษุสงฆ์นี้ด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแจ่มแจ้งในความข้อนี้ได้ทรงอุทานคำอุทานนี้ขึ้นว่าหิงห้อย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 ท่านฟังค่ะติดตามรับฟังพุทธประวัติจากพระโอษกันได้เป็นประจำทุกวันทําความคุ้นเคยแล้วก็เรียนรู้ประวัติขององค์ศาสดาของพุทธศาสนาที่เรานับถือกันอยู่นี้จากพระโอษของพระองค์เองนะคะและนี่ก็เป็นช่วงเวลาของรายการสัมสนีสนทนาสัมสนีนากพงดิฉันดำเนินรายการเป็นประจำที่สถานีวิทยุ FM 106ครอบครัวข่าวแห่งนี้ค่ะ เราก็มีหนังสือที่แจกให้ท่านฟังกันอยู่ได้เป็นประจำวันละห้าเล่มจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสทิพโลซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธานะคะก็สร้างต่อเนื่องกันไม่ขาดสายสำหรับหนังสือพุทธวัตรฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะนี้นะคะ43เรื่องเป็นธรรมวินัยจากพุทธโอษ์เอาไปศึกษากัน อ่านไปใคร้ครวนไปทบทวนไปได้ข้ออัดข้อธรรมสามารถนําไปใช้ในการที่จะพัฒนาตนเองตามแนวทางของพระพุทธศาสนานะคะและสําหรับวันนี้ก็ได้เวลาที่จะลาท่านฟังขอให้ท่านฟังทุกท่านนะคะได้สามารถนําเอาทำที่เราให้นี้น้อมนําไปปฏิบัติแล้วทําให้ชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่มีความสุข นะคะในระดับของลูกของพระพุทธเจ้ากันทุกๆคนนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ